พึงพากันต่างใจใจให้ดีคนต่างคนก็มีใจดองเดียวเนี่ยเป็นแก่นเราทำบุญกุศลอันใดทำความดีอันใดก็เพื่อชำระละ้างจิตตรงนี้ให้สะอาดพราะจิตมัวหมองนั่นแหละมันถึงได้ ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทางในปัจจุบันและเบื้องหน้าหรือว่าที่อดีตล่วงมาแล้วแต่ห้นหลังมันระลึกชาติไม่ได้เฉยๆถ้าระลึกชาติได้จะได้รู้ว่าตนไปตกนรกมาแล้วกี่ชาติ หรือไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นิสฉานมาแล้วกี่ชาติจะรู้ได้ถ้าระลึกชาติทอนหลังได้นะแต่นี่มัระลึกชาติทอนหลังไม่ได้เมื่อนตอนได้เกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าตนไม่ได้เสบยทุกขทรมานอะไรหนักหนาเหมือนอย่างที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ว่า ท, ทำบาปแล้วตายไปตกนรกนั่นแหละเราต้องเชื่อพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ดูจิตใจตัวเองว่ากิเลสในหัวใจของตัวเองนี่น่ะ ถ้าไม่ละมันในชาตินี้นะสมมติว่าถ้าเราเกิดมาได้มาไม่ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะแล้วกิเลสในหัวใจนะมันจะหนาแน่นสักเพียงใดนี่ก็พิสูจน์ได้เลยแน่นอนนะทุกคนนะทางผู้ที่แสดงอยู่นี่ก็เหมือนกันนะนึกวดภาพดูแล้วนะ น่าสยดสยองหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของผู้ตัวเจ้านี่นะความโลกความโกรธความหลงความกาหนัดจินดีในกามทั้งหลายนี่มันมากมายเหลือเกินนะอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนทำบาปเบียดเบียนซึ่งกันและกัน คนเบียดเบียนสัตว์สัตว์เบียดเบียนคนคนเวียนกันอยู่อย่างนี้อืมนี่ก็เพราะบุคคลไม่เพียรละกิเลสอันหยาบช้าลามกนี่ออกจากจิตใจนั่นเองเหตุฉะนั้นมันจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่เราได้ งดจากการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นนี่ก็เพาะได้รู้คำสอนของพระตัเจ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตัเจ้าเชื่อว่ารากเงาของบาปอากุศลมันมีจริงรากเงาอันนี้แหละมันทำให้คนเรานั้นทำชั่วเรามาพิจนารณาดูในปัจจุบันนี้ก็รู้ได้ มันมีอยู่ทุกคนแหละต่างแต่ว่ามีมากมีน้อยกูกานเท่านั้นแหละ <c oughs> ความโรคความโกรธความหลงนี่มีทุกคนกิเลสสามกองนี่แหละเมื่อสะสมให้มากๆกเขามาแล้วมันเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลาม่าวมุสาวาตดื่มชุ ร, ราเมรัย กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปกรรมเหล่านี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เลยนี่นะลองคิดดูให้ดีไอคนที่ทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานี้ได้ก็เพราะสะสมกิเลสสามกองนี่แหละให้นานแน่นขึ้นในใจ คนที่เป็นเจ้าชู้มาในยาสาไทยมักมากในกามเป็นคนหลายใจมมนี่มันก็เกิดจากราคะตัณหานี่เองบางคนมีราคะจริตมาแต่ชาติก่อนนูน่นเป็นคนมากได้วยความกำหนัดอินดีอันนีน้ก็เป็นเหตุให้ทำบาป ถ้าเป็นครืงหัด ก, หหมมาา ก, ก็เป็นเหตุให้ร่วงสินข้อที่สามาเมสมวิชาจารย์ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็เป็นเหตุให้ร่วงสิกขาบทเช่นอาบัตสังคาทิเศษหรือตลอดถึงอาบัตปาราชิกเมื่อกีเลสเล่านี้มันหนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้ว ว่าไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยเออมันจะไปตกนรกกี่ลุมอยู่นานเท่าไรก็แล้วแต่มันเนี่ยเรียก ว, ว่าจิตมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเลยไม่มีอิสระแก่ตัวอะไรบางคนก็รู้อยู่ว่าเป็นบาปแต่ทานต่ออำนาจของกิเลสไปไว้จาเป็น ต้องยอมรับผลแห่งบาปกรรมอันนั้นไปอันนี้ทุกคนผู้ปฏิบัติทำรรนะให้พิจารณาตัวเองว่าตนเองนั่นปล่อยให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำจนเงยคอไม่ขึ้นจริงเหรือหรือว่าไม่ได้ปล่อยให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจถึงกับได้ไปทำบาป ทุกคนอภิรนาตัวเองก็รู้ได้ทางนั้นแหละทำไมจะรู้ไม่ได้เพราะว่าคนตั้งคนมันก็มีใจดวงเดียวนี่เป็นแก่นอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยถ้าบุคคลทวนกระแสจิตเข้ามาภายในใจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี่มาเพ่งอยู่ภายในนี่ย่อมรู้ได้เลยว่า จิตนี่มันสะสมกิเลสอะไรต่ออะไรมาบ้างถ้าเราทบทวนคืนหลังไปก็รู้ได้อีกเมื่อเรายังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจมันเป็นยังไงก็กรู้ได้ทบทวนคืนหลังดูอันนี้บุคคลผู้มีปัญญามันก็ยอมค้นคว้าเลยค้นคว้า ชีวิตของตัวเองนี่แหละไม่ใช่คนคว้าอย่างอื่นเพราะมันมีปัญหาชีวิตนี้นะมีอุปสรรคให้ทุกคนย่อมให้รู้ได้ให้รู้ว่าชีวิตของตนมีอุปสรรคมีปัญหาที่จะต้องแก้ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วก็อยู่ไปตามยถากรรมแล้วก็ไม่ได้อะ มัก็ตกเป็นาธาตุของกิเลสบาปประทำไม่ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ไปได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าชีวิตของตนเนี่ยมันมีปัญหาเหลือเกินสิ่งที่ให้เกิดปัญหาก็คือกิเลสไม่ใช่อย่าไปโทษคนอื่นภายนอกอย่าไปโทษสิ่งภายนอก ว่ามาทำให้ตนยุ่งเหยิงเดือดร้อนอันนั้นอย่าไปโทษภายนอกเลยโทษตัวเองดีกว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเขามาทำในตนเบียดเบียนต น, นแท้ๆอ่ามันมีมูลเหตุนี่การที่ตนจะถูกเขาเบียดเบียนเอา ก็โดยอ า, อาศัยเหตุในอดีตทนหลังหนึ่งอาศัยเหตุในปัจจุบันนี่หนึ่งมีอยสองประการอย่างนี้เองนะอาศัยเหตุในปัจจุบันก็ตนเองนะ่ะไม่รักษากายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมปล่อยให้กิเลส บ, บัญชาการทําอะไรก็ ทำเตาหนักของกิเลสเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมากก็แสดงกิริยาหยาบคายทางกายต่อผู้อื่นโดยการตบ ก, การตีบ้างหรือไม่ไม่ถึงตบตีก็แสดงขึงขังทำท่าจะประหัตประหารทุบตีทางวาจาก็กล่าวทำหยาบรน้นต่างๆกล่าวคำเสียบ แทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเมื่อตอนทำเหตุไม่ดีอย่างนี้แล้วแม้เขาไม่มีอำนาจที่จะตอบโต้ในปัจจุบันนี้ได้แต่เขาก็ผูกอาคาดไว้เมื่อตอนเองเผลอเผอเมื่อใดเขาก็เล่นงานตนเมื่อนั้นมันก็เป็นอย่างนี้อะมนุษย์นะมาดีกรรมเหล่านีนะ้มันก็ผูกพันกันไปใน พบด้ชาติต่อๆไปในวันนี้ถ้าผู้ใดไม่รู้ตัวเมื่อใดไม่อโหาสิกรรมให้แก่กันแล้วไม่มีทางจะพ้นได้ก็ทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่อย่างนี้แหละอาศัยเหตุในอดีตที่ร่วงมาแล้วก็เมื่อตนได้ทำกรรมชั่วมาตนได้ฆ่าได้ตีคนอืน่น หรือได้ทำลายชีวิตของสัตว์อื่นทรมานมันให้เจ็บให้ปวดให้เสียองค์ฆามาแต่กรอย่างี้นะคำนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาถึงในชาตินี้เมื่อมันได้โอกาสแล้วมันก็ให้ผลทันทีก็ให้มีผู้มาเบียดเบียนบางทีก็ให้คนอื่นก็มาล้างผลาญทำลายชีวิตให้ตายไปมีอยู่ท้อไป ถ้าทำไม่ถึงไม่ตายก็เสียองค์ฆาอย่างนี้ก็มีถมใบอย่างนี้แหละนี่เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปโทษคนอื่นได้อย่างไรอ่ะในเมื่อตนทำเอาไว้แท้ๆนี้ถ้าในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือได้อดีตก็ดีตนไม่ได้ทำกรรมชั่วดังกล่าวมานี่ไว้ คำชั่วมันก็จะไม่ตามมาสนองตัวให้เป็นทุกข์เลยในปัจจุบันนี่ก็ดีตนรักษากายวาจาใจให้ดีไม่รู้อํานาจแก่กิเลสตังกามานั้นไม่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอะไรเช่นนี้นะให้เราจะมาเบียดเบียนตนนะไม่มีอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราต้องเข้าใจให้มันถูกต้อง อย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นมาเบียดเบียนตนก็ให้นึกว่าเป็นกรรมของตนแหละหรือให้นึกว่าเพราะในปัจจุบันนี้แหละทนประมาทไม่สำรวมกายวาจาใจของตนตามหลักศีลหลักธรรมอย่างนี้แล้วมันจึงได้ถูกกลางแกก็เหมาะสมกับครรมที่ตนทาลงไปพูดไปเราไม่ต้องเสียใจ แล้วก็อธิษฐานใจว่าต่อ น, นี้ไปเราจะสำรวมระวังกายวาจาใจต่อไปจะไปรู้อำนาจแ ก, ก่ความโลภโกรธหลงโมโหโทโซ ต, ต่างๆเหล่านั้นเราจะเพียรละกิเลสเหล่านี้ให้มันเบาวางไปเราจะไม่หล่อเลี้ยงกิเลสอันนี้ไว้ตื่นดึกลุกเช้าวไหวพระนั่งสมาธิภาวนา ชำละจิตใจที่มัวหมองอยู่ให้ผองใสไปทีละน้อยละน้อยคนเรานี่นะถ้ามีความเพียรแล้วมันไม่เหลือวิสัยเลยแต่เราต้องเพียรให้ถูกทางนะถ้าเพียนไม่ถูกทางก็จะได้ผลตรงกันข้ามอีกแล้วเพี้ยรเพ่งพินิษเข้ามาในจิตใจเนี่ยจะจะเพ่งออกไภายนอก อย่าเพ่งเลงไปคนอื่นและตัดอื่นเพ่งเข้ามาตามลมหายใจเข้าหายใจออกนี่สติระลึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปคือน้อมความระลึกเข้าไปภายในเรื่อยๆไปไม่ระลึกส่งออกไปข้างนอกอนี่แหละ เมื่อระลึกเพ่งเข้ามาภายในอย่างนี้นะสติมันก็ยังเข้าไปควบคุมจิตได้แบบนี้นะนั่นเองจิตก็ไม่คิดพุ่งซ่านไปทางอื่นนี่แหละคาว่าเพียรเพ่งทินิดนะเพ่งเข้าไปจนว่าใจมันหยุดคิดหยุดนึกมันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทางความรู้สึก ทางกายทางใจก็อดกั้นทนทานเอาไอ้ที่มันเกิดเวทนาทางใจนั่นก็เพราะเหตุว่ากิเลสนี่แหละมันแสดงฤทธิ์เดชออกมากระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้เพราะดวงจิตนี้จะละมนันนี่เมื่ อ, อยังจิตลงไปยังสติลงไปควบคุมจิตได้ จิตไม่ปรุงไม่แตง่งอารมณ์ต่างๆแล้วกิเลสมันก็งอกงามจเจริญไม่ได้นะออให้เข้าใจกิเลสมันจะงอกงามได้ก็เพราะจิตนี่แหละปรุงแต่งขึ้นเรื่อยๆปรุงแต่งความรักปรุงแต่งความชังความโกรธความพยาบาทต่างๆนี่นะปรุงแต่งความหลงความเมา ตนคิดในทางที่ผิดก็ไม่รู้ตัวก็เห็นว่าตนคิดถูกออย่างนี้แหละเส้นอย่างคนคิดเห็นไปว่าเทวดาอินพรหมเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรที่มีอิทธิฤทธิ์มีเดชจะช่วยตนให้พ้นทุกข์ไปได้ในเมื่อตนบ่วงส่วงอ่อนวอน สการะบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็วิ่งวอรขอร้องไปสิ่งสักิตีตอนนั้นจะมาช่วยตนให้พ้นอุปสรรคขัดข้องต่างๆไปได้เนี่ยความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความคิดประกอบไปด้วยความหลงไม่ประกอบไปด้วยปัญญานี่ต้องให้เข้าใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บุคคลผู้ถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกไปไม่ได้อย่างนี้นะผู้ใดมาถึงพระพุทธธรรมผสงค์เป็นที่พึ่งแล้วก็มารู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นเป็นทางแห่งความสุขอันกเกษมสานนั่นเป็นธรรมอันอุดมเป็นที่พึ่งอันอุดม ผู้ใดถึงสิ่งดังกล่าวมานี้เป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกทั้งปวงไปได้เรามาวินิจฉัยกันดูนั่นนี่การถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งเราถึงพระคุณอันประเสริฐของพระองค์เป็นที่พึ่งแล้วจิตใจก็ย่อมเบิ่อฟาน ข้อมารู้ว่าพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐจริงๆทรงมีสั่งสมบุญญาบรมีมาตั้งหลายอสงไขยกลับแล้วมาในชาติปัจจุบันก็ได้ออกบวดได้ตัดรู้ชำละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้จริงๆแล้วทรงแสดงธรรม อยู่สี่สิบห้าปีเพื่อทำคำสอนของพระองค์มากกว่าคำสอนของศาสตราใดๆในโลกนี้มีถึงแปด0 0นสี่พันกัณกันว่าพระธรรมขันนี้ก็ไม่ค่อ ย, อยเข้าใจกันดอกแปด0 0นสี่พันกัที่พระองค์แสดงธรรมนั่นแหละกปราชญในสมัยปัจจุบันซึงได้แปลจาก ภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยแล้วพิมพ์เป็นกันเป็นกันรวมกันเข้าเป็นเล่มหนึ่งหรือว่าพิมพ์ใส่ใบลานเป็นกันกันไปแต่ก็คงไม่หมดเพราะว่าส่วนมากก็พิมพ์ตั้งแต่พระธรรมคำสอนของพระเจ้า อันสมควรที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละอย่างนี้แหละไอ้มูลเหตุที่จะให้คนเราทำบาปทำกรรมก็เพราะไม่ใส่ใจในคำสอนของพระเจ้าไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ท่องบนจดจำไม่น้อมคำสอนไปพินิพิจารณา ภายในจิตใจของตนเมื่อจิตมันไม่รู้แจ้งในคําสอนแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งนี่อย่างว่ามันมันก็เล่ล่อนพระเนจรไปยึดอารมณ์ภายนอกคนน่ะยึดวัตถุภายนอกมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจยึดเรื่องที่น่ารักมาเป็นเครื่องอยู่ในใจเอ่ เมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนรักบุคคลที่ตนรักเข้ามาแล้วก็ดีใจสบายใจดีเพราะว่ า, วานนเมื่อได้นึกถึงบุคคลที่ตนเกลียดชังมาแล้วนึกเกลียดนึกชังมันอย่างนี้อยาจะคิดตอบแก้แค้นตอบแทนไปให้มันสะสมกับมันทํากับเรา พ็ได้คิดอย่างนี้เราสบายใจอย่างนี้แต่คนเราไม่รู้จับไฟอ่ะแล้วเอามือไปจับไฟมันก็เผาให้ร้อนอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คนเราไม่รู้จักโทษของกิเลสลิ์ลดเดชดของกิเลสไปสะสมมันขึ้นมามันก็เผาจิตตัวเองให้เราร้อนผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านยังได้สำรวมจิตอยู่ทุกอิริยาบถถ้าสำรวมจิตอยู่เสมอไปมีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนี้นะมันจะไม่สร้างกิเลสครอบงำตัวเองเลยมีแต่จิตใจปลอดโปร่งเบิกบานอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยบุญด้วยคุศสนอยู่ด้วยปัญญา คือมองเห็นไตรลักษณะญาณแจ่มแจ้งอยู่เสมอเรื่องใดกระทบกระทั่งจิตใจมามันก็จอมองเห็นมีเกิดแล้วแปร่ปวนแตกดับไปเท่านั้นเองทุกสิ่งที่กระทบมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆหมูนี้นะ เมื่อเราพิจารณาไตรลักษณญาณที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นทันทีเลยไม่ไม่ได้คิดไทยืดญาติอะไรเลยโรคมากระทบตามันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยอย่างนี้นะเสียงมากระทบหูมันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป เ, นะเช่นเดียวกันกลิ่นกระทบจมูกก็ดีรสกระทบลิ้นก็ดี สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายก็ดีธรรมารมที่จิตใจรับรู้ธรรมารมทั้งห้าประการนั่นน่ะจิตใจเป็นผู้รับรู้ก็ดีก็ยอมรู้เห็นว่าเป็นของเกิดอของดับไม่กิรังยั่งยืนอะไรเลยไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งท่านที่น่ารักน่าชัง จะไปเป็นสิ่งที่น่ารักอย่างไรแล้วรูปต่างๆมันเป็นของแปรปวนแตกดับนี่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนี่ถ้าเพ่งพิจนาเห็นโดยปัญญาแล้วมันก็จะลงปัญญาลงได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าเกลียดอะไรเลย ถ้าเกลียดก็ไม่เกลียดเพราะเป็นของแตกของด่าจะไปเกลียดชังมันทําไมรักก็ไม่รักทําใจเป็นกลางไว้เสมอเมื่อทําใจเป็นกลางมีสติประคองอยู่นั่นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่หวั่นไหวมันก็รู้ แจ้งทันทีไตรักษณยยานก็บังเกิดขึ้นทันทีอเอ้ยรูปนี่เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะมันอบอกขึ้นในจิตใจตัวเองนั่นแหละเมื่อไตรักษณยยานเหล่านี้บังเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในใจแล้วมันก็เหมือนอย่างบุคคลมีอาวุธอยู่ในมื อ, อเมื่อฆ่าศึกจูจมมา ก็ต้องใช้อาวุธนั้นป้องกันตัวอย่างนี้แหละทำให้ใจกล้าหาญในอันที่จะตอบโต้กับข้าศึกถ้าลองไม่มีอาวุธอยู่ในมือลองดูสิข้าศึกอยู่โจมมาก็วิ่งหนีซะนั้วเละไม่ต่อสู้เลยเอาชนะค่าศึกไม่ได้เลยอันนี้ทั้นใดเมื่อไม่เมื่อ ไตรลับษณะนานไม่ปรากฏในใจแล้วกิเลสอันใดอารมณ์ันใดกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจมันก็ยึดถือเอามาปรุงแต่งให้เกิดเป็นกิเลสเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนก็ฉันนันเนี่ลเพราะฉะนั้นทุกคนต้อาพิจราจราณาให้มันเห็น โทษของกิเลสเหล่านี้มเมื่อผูดด้ใดเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วก็จะเป็นผู้สำรวมจิตใจของตนเสมอไปอมไม่ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งกิเลสนั้นให้เกิดขึ้นพยายามกำหนดละเลยไป เรามีความเพียรเพ่งพินิษอยู่มันก็ทำให้สติมันแก่กล้าขึ้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะใ้สติแก่กล้าขึ้นคนเราเนี่ถ้ามีสติแก่กล้าอยู่แล้วมันไม่หลงไปทางผิดใลยอมันเป็นงนั้นเช่นเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระอรหันต์นั้น ท่านมีสติเต็มที่ห้ามไม่ใครยกโทษท่านอย่างนี้นะก็ท่านมีสติเต็มที่แล้วท่านไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่กระทบกระทั่งใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอย่างนี้แหละเหตุนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงทรงบัญญัติเป็นพระวินัยไว้เลย ให้เป็นให้มีสติเป็นวินัยคอยระมัดระวังอย่าไปยกโทษพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะท่านมีสติเต็มที่แต่ท่านหมายเอาพระอราหารันโดยส่วนเดียวนะแต่ลองลองมานั่นสติยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ยังมีเวลาเผลออยู่บ้าง เผอแต่ว่าไม่มากเช่นพระอนาคามีอย่างนี้นะกย็ย่อมมีการพังเผลอน้อยเต็มทีพระจักิจทาคามีพระโสดาบันเหล่านี้ดุดส่วนมากท่านก็มีสติแหละถ้าเผลอก็มีส่วนน้อยเผลอนะไม่ถึงกับได้ไปทำบาปไมา้ก็ไม่อย่างนั้นแหละพระโสดาบันหมดเนี่ เผื่อน่ะเรารได้แล้วก็รีบสํารวมระวังจิตทันทีละอารมณ์ันนั้นทันทีไม่ถึงก็ไม่ได้ไปทำบาปแสดงออกทางกายทางวาจามันมันระลึกได้อยู่ในใจแล้วมันก็กําหนดละอยู่ในใจเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละชาวพุทธทั้งหลายขอให้พากันพิจารณา ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่แนะนำมานี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนก็คนเรานั่นเมื่อกสกัดความชั่วไม่เกิดขึ้นในใจได้แล้วทำอะไรพูดอะไรก็ดีเป็นบุญกุศลไปหมดเลยแต่ละวันแต่ละคืนนะเพราะว่า ใจนั้นมันเป็นกุศลอยู่แล้วนี่มันละบาปไปแล้วอันนี้นะมันแสดงออกมาทางกายทางวาจามันก็แสดงออกมาในการทำการพูดทีดตต่ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมไม่กระทบกระทั่งคนอื่นในเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอ่าอย่างนี้แหละเราพิสูจน์ได้เลยว่าเรามีสติมากน้อยเพียงใด ขอให้พิสูจนตัวเองเสมอๆไปดังสแสดงมา